เทศนาแผ่นที่82ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระทับภาพมันระบุ โอ้มื้อเช้าผ <c oughs> ิ่นทบาทเกือบจะเข้าวัดฝนตกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หยุดแล้วเนี่ยแต่มันตกทางหน้าวัดนาฝนเนี่ยมันเห็นแค่หน้านะมันไม่ตกทางหลังวัดวะห <c oughs> ลวงพ่อเห็นน้ำทางหน้าเนี่ยน้อง คิดว่าทางหลังวัดในสระน้ำของหลวงพอ่อที่ขุดเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคงจะเต็มระมะดอง้านี่ยมาพอนั่งรถไปดูทางหลังวัดโอ้น้ำน้าขึ้นไม่ถึงศอกนะน้ำน้อยน้าน้อยมากๆทางหลังวัดนะ <c oughs> แต่ทางหน้าวัดเนี่ยรู้สึกโอ้ ที่หลุมันตกที่สาลาใหญ่เขาวนั้นก็ไม่ใช่ย่อยอแต่มันก็ดูดูมันก็อึมครึมมาตรงบริเวณหน้าวัดมันก็ตกลงอย่างแรงเออน้ําถังเลยล้นแล้วล้นอีกแต่คิดว่ามันจะทางหลังวัดน่าจะเป็นอย่างที่หน้าวัดเนี่ยไปดูที่ที่ไหนได้ทั้งหลังวัดไม่มีนุกไม่มีฝนเอแปลก ทกฝนตกเป็นหยุมเป็นหย่อมเหลือเกิน <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบอดวันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติวันที่ 12, สิบสองสิงหาแล้วก็วัน เป็นวันเกิดของหลวงตาด้วยนะวันเดียวกันเพราะนั้นพระสกฆนิกรพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าคณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายควรจะประกอบคุณงามความดีถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของวันแม่แห่งชาติและก็พร้อมกันก็เป็นวันพ่อแม่ครูบาอยยาจารย์ของพวกเราพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีผู้ที่ ไม่เคยมีศีลห้ากัควหน้าจะรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถหรือจะประกอบคุณงามความดีจะทำบุญตักบาตรหรือจะทำบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลให้แม่ให้แม่ของเราด้วยแล้วก็ให้แม่ของชาติด้วยแล้วก็ถวายาเป็นสังฆบูชาในองค์หลวงตาด้วยพระองค์ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีตั้งแต่บัดนี้แหละวันนี้แหละวันที่สิบเ็ดนั่นแหะแต่วันที่สิบสองเย็น ถ้าหากว่าไม่มีอะไรหลวงพ่อเขาค ง, งจะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดในวัดของเรามาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อถวายเป็นพระราช ส, สุขสุสและก็ น, น้อมลำลึกถึงองค์หลวงตาของเราด้วยนะวันที่สิบสองบอกบอกกันเยนะตอนเย็นทั้งฝ่ายไทยโยมจะเข้ามา ก็ได้วันที่สิบสองเย็นจะมีการไหว้พระแล้วก็ฟังธรรมเทศน า, าสักกันนึ่งจากนั้นเราก็ได้นั่งปฏิบัติธรรม เ, เป็นการถวายาลำาลึกถึงคุณแม่ของเราทุกคนนะว่เราเกิดมาจากแม่พ่อแมอ่จากนั้นก็ถวายเป็นพระราชกุศล ตอนนั้นก็ราลึกถึงบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเพราะเป็นวันที่12สงิงหาตอนนั้นขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะปฏิบัติคุณงามความดีปฏิบัติ ด, ดีสรุปแล้วสํารวมกายวายจาใจให้เป็นคนดีพระก็พยายามทำคุณงามความดีให้เร่งภาวนารักษาศีลแน่บริสุทธิ์พี่น้องประชาชนกเหมือนกัน ประกอบคุณงามความดีสัมภคกายว่ า, จาใจของเร า, <c oughs> าดีอะไรคือดอีพวกเราได้ศึกษามาขนาดนี้แล้วคงจะรู้จักว่าดีชั่วชั่วคืออะไรอย่าไปทำในในเรื่องที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดี <c oughs> เมื่อเช้าหลวงพ่อก็ได้ถามพระเออเป็นไงอาหารทั้งฝ่ายทั้งหลังออมีแต่มันดูแต่ทางหลวงพ่อไม่ได้นะอาหารพระลูกหลานทั้งฝ่ายสุดท้ายอ่ะให้ช่วยช่ยกันดูนะพระเก่านะออถ้าหาว่าไปถามถามดูก็ได้แต่มั น, มนออคือท่าว่าอยากจะฉันอยู่แต่ไม่มีอาหารฉันอ่ะไม่น่าจะมี ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอดไม่ฉันมีอยู่แต่ไม่ฉันเพราะจากจะอดอาหารเอออันนั้นเป็นธรรมชาติเป็นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่แนะนำสั่งสอนออมีอาหารมากแต่ฉันน้อยออคือลดผ่อนอาหาร เ, ออเพื่อจะได้เร่งความภาคเพียน เพื่อจะได้เร่งภาวนาแต่ถ้าว่าอาหารไม่มีไม่ไม่น่าจะได้ยินนะให้พวกคูบาเก่าทั้งหลายช่วยๆกันดูอย่าอย่าให้อาาตกปกพ้องเราพร้อมที่จะบอกกล่าวได้ให้อาหารสำหรับพาลูกพาหลานทางหลังแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละถ้าเป็นหัวหน้า คล้ายๆก็ใส่ทางหัวหน้ามาลุกมาตุ้งแต่ทางลูกน้องน่ะเป็นยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปดูนะให้พวกพระรุ่นพี่ทั้งหลายช่วยช่วยกันดูนะอาหารปัจจัยสีอะไรก็ตามที่ขาดตปกบกพร่องก็ช่วยชวยกันดูกันถ้ามันขาดเหลืออะไรก็ค่อยมาบอกหลวงพอ่อ <c oughs> จะให้ <c oughs> จะให้หลวงพ่อลงไปดู ออทุกสิ่งทุกอย่างคงเป็นปเป็นไปได้อย่างนั้นได้ยากก็ควรจะให้พระรุ่นพี่ที่มาอยู่ในวัดของหลวงพ่อนานๆหลายองค์ช่วยๆกันดูขาดเรือขาดตกอะไรตลอดถึงการาพระใหม่เข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ขอให้พระรุ่นเก่าบอกกล่าวเตืนเอนการคุยกันเสียงดังไปได้ไหมหรือคุยกันมากเกินไปไหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ก็ให้พระเก่าช่วยกันเตือนเตือนซึ่งกันและกันนี่แหละการดูด้วยกันเป็นอย่างั้นละ่ะเรื่องอาหารอย่าไปมองว่าของเล็กน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่อย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าโจดฟ้องกันหาโทษใต่กันเอาเป็นเอาตายกันจนจะให้ขาดจากการเป็นพระเ่ยนะฟ้องกัน เนี่ยพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาลูกหลานก็คงอยากจะรู้ว่าเป็นยังไลงลงหลาเรื่องราวหลวงพ่อนะ <c oughs> คือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสัคือที่นี่มีพระสง์อยู่ด้วยกันมากแล้วก็พระทัพพมันระบุตเนี่ย เป็นน้องชายของพระสารีบุตรถ้าจงพ่อจำไม่ผิดนะท่านได้สําเร็จเป็นพระทหารตั้งแต่อายุเจ็ดขวบท่านเป็นพระทหารท่านเจ็บสำเร็จพระรหารแล้วเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาไปจบแล้วจบจบปริญญาเอกแต่สมัยเป็นสมณะน้อยละอายุเจ็ดขวบจบปริญญาเอกแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วในหลักของพระศาสนาไปบอกบริโบน แต่พอท่านเป็นหนุ่มขึ้นมาท่านก็ว่าเออกับผมออขอเป็นออทําหน้าที่ดูแลพระสงฆ์แจกอาหารแจกพระไปในงานนิมนตออ์แจกเสนาสะนะออแจกคือคล้ายๆว่าพระสงฆ์เข้ามาเนี่ยให้ท่านจะเป็นผู้ดูแลองค์ไหนจะสมควรกุฏิหลังไหนองค์ไหนที่เป็น อ, อ รับอาหารเวลานั่งเรียงกันก็แจกอาหารให้พระแจกอาหารถ้ายาทโยมานิมนต์เจ้าฟ้าเจ้าแผดินมานิมนต์เศรษฐีมานิมนต์พ่อค้าประชาชนคนมานิมนต์ท่านก็ติ๊กติ๊กติ๊กติกตกลายชื่อเอาไว้นิมนต์เท่าไรท่านก็แจกไปตามตามที่เขานิมนต์มาอันนี้คือท่านหน้าทําหน้าที่ ดูแลพระสงฆ์ในวัดป่าเชดตไอ้วัดป่าเวลุวนันต่อมามีพระไม่พอใจไม่พอใจกับพระพัทธพมบรรบุตรชื่อชื่อพระภูมิมสักกะภูมิมสกกะพิกุไม่พอใจไม่พอใจเพราะเหตุไรเพราะว่าบางทีนั่งอยู่ปลายแถวเวลาแจกอาหารไป พอไปถึงปลายแถวก็หมดอาหารหมดท่านก่อนเนี่ยต้องทับระทับพมรบุตรเนี่ยให้ให้ลูกน้องแกล้งแก้งเราทำอาหารให้ไม่ถึงเวลากิจนิมนต์กิจนิมนต์ก็นเนี่ยเาให้แต่องค์อื่นไปบ้านกษัตริย์ไปวังไปบ้านเศรษฐีตัอเองเนี่ยไป บ้านกระจกกระจกที่ไม่รู้มีไม่มีใครรู้จักใครพ่ากาันรแกล้งตลอดพระทัพพมรบุตรเนี่ยที่เป็นทำหน้าทีน่นี้นี่แหละอันนี้ก็คือความสั่งสมในจิตใจของพระภูมิมัจฉกะพิกุกแต่นี้ตามไม่จริงพระทัพพมรบุตรเนี่ยท่านไม่ได้มีอะไร ท่านแจกไปตามเนื้อผ้าอถ้ามันหมดก็มันหมดจะทําไงแต่ถ้าว่าญาติโยมมาเนละี่ยคือเอาทางมันยังไม่ถึงวาระของท่านให้อุอื่นทำไปก่อนแต่เมื่อมาถึงเมื่อไรค่อยถึงหน้าที่วาระของท่านมันก็คนหมุนเวียนกันออพอมันพระมากแต่ภูมิพมาตรการให้ใจร้อนไงก็ต้อง จัดการกับพระองค์นี้ให้เคลื่อให้เคลื่อนจากการเป็นสัมมณะใครๆว่าเห็นแต่ก็ขว้างหูขวางตาแอ้่คนมีกิเลสไอ้คนมีกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นะเอะไม่มองเหตุไม่มองผลไม่มองเรื่องราวไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อย่างใจของตัวเองเท่านั้นแหลอโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตเจ็บใจจะทํำยังไงจึงจะจัดการพระองค์นี้ให้ เคลื่อนอโจดให้มันจบจบไปเลยเป็นปาราชิกโทษประหารไปเลยเก็เลยไปเข้าไปสมคบกับนางภิกษุณีานางภิกษุณีเมตตาญาภิกษุณีชื่อว่าถ้าหลวงพ่อจังไม่ผิดนะชื่อว่านางเมตตาญาภิกษุณีเข้าไปภิกษุผู้มัจกาก็คงจะเป็นเครือญาติกันบ้างาคงจะเป็นเครือญาติกันไปก็เถอะนะ พิกษซณนะีผมจะโจทย์ทัพพมรบุตรนะว่ า, าท่านกับทับพมพรมรบุตรเนี่ยมีความลึกสัมพันธ์กันลึกซึ้งอยู่ตีนเข า, เาจุดนั้นจุดนี้ให้รับเลยนะนางพิกษณนีนี่คอคล้ายๆกับว่าเห็นใจภูมิมาตกะรับหมดเลย บอกมาแนะนำยังไงรับหมดพอต่อมาได้เวลาภูมิมาชกะเนี่ยก็โจดอะนี่ย์นี่นะพระทัพพมรบุตรเนี่ยนะ่ะยว่าดีทีเดียวไม่ได้นะทำชั่วเสียหายอย่างมากแต่มัมทำให้จริ ง, งในความแค้นของภูมิมาชกะนก่คือเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องการแจกแบ่งไม่ทั่วถึงเรื่องอิจฉา ว่าพระผูภูมิว่าพระทัพพระทัพพมรบุตรแ่อิจฉาอิจฉาพระภูมิศักะแต่ตามห้จริงไม่มีพอในสุดนี่แหละพอโจดขึ้นมาในท่ามกลางสงฆ์เลนะพระทัพพมรบุตรเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเมตยาพิชษูณีที่ตีนเขาในเวลาเท่านั้นวันนั้นพระสงฆ์เกิด อ้าวมันมีอธิกรณ์ขึ้นมาแล้วก็รับโจดนะทน่พอโจ์แล้วก็สืบพยานนะทนเานทั้งสูตรสืบทั้งโจท์ทั้งพยานทั้งจำลเลยนท่าอให้ใครก็ให้พระอุบาลีพระพุทธเจ้าก็บอกเออเรื่องเกี่ยวกับวินยนะัยของท่านอุบาลีนะ เ, เป็นผู้ ในศาสนาของเราได้รับเอธาตคฆะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ตัดสินคดีความเป็นผู้ซื่อตรงและหลอกคอบสืบสอบคดีความเนี่ยยกให้พระอุบาลีถ้าจะเป็นอย่างทุกวันนี้กันนู้นคงจะเป็นอะไรที่เมืองจีนที่ซื่อตรงนั่นแหละทางกฎหมาย แต่ที่แท้ก่บอพก็ดีความแล้วก็สืบสอบเลยสสืบสอบโจ์โจ์ก็ชัดเข้ามาเลยแล้วก็สืบสอบนางเมตยาอีกเมตยากรลับโลกเลยเจงอย่างที่ ท, ที่เมตภูมิวัชกะโพดแต่นั่นก็สืบจำเลยจำเลยบอกว่าเวลานั้นอะ ผมยังแจกอาหารอยู่ยังไม่เสร็จถ้าเวลาใกล้เคียงกันนะผมไม่สามารถที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้ถ้าจะเดินไปเดินไม่ถึงใช่ไหมทางตุลาการทางอายการผู้สืบพอดีความนี่กว่าอือใช่มันไม่ถึงแหลอไปไม่ถึงเพราะใครเห็นไหมในช่วงนั้นน่ะที่พระทัพพบรบุตรง่วน ง่วนอยู่ในการแจกอาหารในพระสงฆ์อยู่พระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์ก็เห็นเออเห็นช่วงนั้นพระธรรมมัรบุตรอยู่ตรงนี้อยู่ที่ศาลาแห่งนี้เออแต่ก็ถามภูมิวัชกาอีกอ้าวทำไมท่านเห็นเออถ้าพระธพรมระบุดสององค์ใช่ไหมองค์นั้นกับองค์นี้ของนี้วัดยืนกันหลายองค์เห็นท่านว่าองค์นี้ไปทําอยู่างนู้ะท่านพูดได้ยังไงจริงไหม ทรนีพระาาธัปปมณตรก็ใหพระภูมิมกัะก็จจนต่อเหตุผลนะออจนต่อเหตุผล เ, เพอทางนี้ยืนยันมากกว่ า, าทีานี้นกับสงฆ์ทั้งหลายก็ลุมถามจำํำจี้ช่ำชัยแบบเอาถึงลูกถึงคนเยผลที่สุดก็เลยยอมรับพอยอมแล้วก็ถามไปทางภิกษุณีอีกภิกษุณีก็บอกว่านะ่ยภูมิมัจกะเป็นผู้ใหนะ้พ่ด พอในสุ็เลยนะหาเรื่องใส่ไงภิกษุอื่นหาเรื่องโจทย์ภิกษุด้วยอำัตจปาราชิกไม่มีมูลต้องสังคาที่เศษบัญญัติพินัยขึ้นมาเลยนี่แหละจากนั่นก็นเลยเออพอเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือจับภิกษุนีแล้วก็ภิกษุองค์นี้แต่นี้ยเขาก็ถามถาม พ, พ, พระทัพปรมันบนะุตร เป็นคำคมอันหนึ่งหลวงพ่อได้ยินโอ้โหสืงใจนะสึงใจที่ทัพทพระทัพพมรบุตรที่ท่านให้เหตุผลนะทัหมดทัพพระทัพพมรบุตรเธอได้ทำท่านท่านได้ทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางเมตยาภิกษุณีที่ตีนเขาจริงอย่างที่เขาโจทไหมอย่างที่เขาโจดว่าท่านได้ทำอย่างนั้นจริงไหม พ ร, พระทับพระทับพมรบุตรท่านพูดเป็นคำที่น่าฟังมากนะท่านบอกว่าผมเกิดมาเมื่ออายุเจ็ดขวบผมได้เป็นเออใครใคําว่าเป็นอภิชาติอภิชาติบุคคลผมเป็นพระรหารพูดง่าย ผลผมได้สำเร็จเป็นพระหารตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาเรื่องการม ก, กิเกล็เนี่ยแม้แต่หลับผมผมก็ยังไม่เคยฝัน พ, พ, พนระพระทัาพระมนรบุตรท่านยืนยันต่อสูงเล ย, ยงมันนะแม้แต่หลับผมก็ยังไม่เคยฝันถึงเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยว่าผมจะไปทำความชั่วช้าเสียหายอย่างนั้น อันนี้คือพระทับ พ, พระมรรบุตรท่านท่านยืนยันในความวิสุทธิ์ของท่านจากนั้นเขาก็เลยจับนางภิกษุณีศึกไล่ศึกไล่ออกจากวัดต่อไปไม่จะเป็นเรื่องราวต่อไปแต่ภิกษุพงศกะันีะก็ลงโทษอย่าทำอีกต่อไปลักษณะอย่างนั้นแหละนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องอาหาร เรื่องอิจฉามันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ยังเป็นต้นศาสดาต้นศาสนาดูแลพระสงฆ์อยู่พระสงฆ์ก็ยังก่อเรื่องอธิกรณ์กรเกิดขึ้นในสงฆ์เป็นเรื่องที่รกกรงรังพอสมควรทั้งที่ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ในยุคนั้นสมัยนั้นพระอุบาลีท่านก็เป็นพระอรหันต์ที่ท่าน ชำระคดีความถ้มีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านจะให้พระอุบาลีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินหรือว่าสืบสอบทั้งโจทก์ทั้งจำเลยจากนั้นท่านก็ใช้พระปีชาสามารถทั้งยาณนะทัศน์ะของท่านท่านรู้แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรแต่นะ สรุปแล้วก็คือพวกเราที่อยู่สุดท้ายภายหลังที่ไม่ได้ศึกษาในพระวินัยหรือวกฎระเบียบของพระพุทธศ า, าสนาพวกเราก็คงจะมัวเมียว่าโอ้ในครั้งพระพุทธเจ้าคงจะสวยงามคงจะไม่มีอะไรถ้าเป็นต้นไม้ก็มีแต่ดอกเต็มไปหมดด้วยมรกด้วยผลด้วยพระโสดาสกธาคาอนาคาอริยบุคลทั้งหมด คงจะไม่มีตัวบุ่งตัวนอนตัวสิ่งที่แปลกปลอมมาทำร้ายทำลายในยุคสมัยนั้นมันตรงกันข้ามนั้นลูกา น, นะบางครั้งโอ้ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นนะอย่างพระเทวทรรัตจับมูจับกลุ่มขึ้นมาจะฆ่าพระพุทธเจ้าไอ้อีกต่างหากในเรื่องราวพวกเราได้ศึกษาดูแล้วนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกยุคทุกสมัยมีดีแล้วก็มีชั่ว มีบาปมีบุญมีคุณมีโทษมีมืดมีสว่างมีอิจฉาพยาบาทมีน้าขิดมีน้าใจมีเมตตาคนที่ไม่มีเมตตามันมีทุกๆุกทุกสมัยนะคณะสัตยาญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ตามให้ดูตัวของเราเท่นี้อย่าไปดูคนอื่นแต่ตัวของเราแต่ละวันแต่ละเวลาอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ล่ะ แต่ละวันเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงมันคิดไปในทางไหนบ้างทั้งที่เราเรามาปฏิบัติธรรมยังทะเลถลายถลกออกนอกรูนอกทางมีบ้างไหมแสดงว่าถนะ้าขนาดใจของเรามาควบคุมถึงขนาดนี้มันยังออกไปออกนอกลูนอกทางไปได้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงพระในครั้งพุทธเจ้าครั้งอื่นครั้งก่อน ขนะตัวเองพยายามควบคุมด้วยสติด้วยศรัทธาด้วยสติวิริยะความเพียรพยายามอยู่ขนาดก็ยังเป็นไปได้เพราะนั้นขอให้พวกเราดูตนเองสรุปแล้วคนอื่นก็เป็นคนอื่นเราจะไปเอาคนอื่นมองต่คนอื่นว่าผิดว่าถูกว่าถูกผิดผิดถูกอยางไงมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามองดูตนเองนั้นจะหาที่แก้แก้ ใจของตนเองนเลิอดประเสริฐที่สุดนะฝนกำลังมานะลูกหลานนะฝนกำลังตกอตอนนี้ไปรับพรเด้านีงนะ